เดืนธันวาคมหรือว่าเดือน12นะคะเรียกว่าเป็นเดือนคู่ค่ะหลายๆหมู่บ้านหลายๆาจังหวัดนะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะในประเทศไทยก็มีการจัดงานมงคลสมรสขึ้นมาหลากหลายคู่ค่ะที่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็หลากหลายคู่นะคะที่จัดงานขึ้นมาอย่างเออกะเลิกใหญ่โตหรืออาจจะมีการแต่งงานกันแบบเงียบ แต่ว่าในสมัยโบราณ น, นั้นนะคะคุณผู้ฟังก็มีความเชื่อเหมือนกันพูดถึงเรื่องราวขการแต่งงานแล้วโบราณเขาบอกว่าห้ามแต่งงานเดือนขี้การที่ห้ามแต่งงานเดือนขี้เพราะว่าเป็นเรื่องอัปมงคลค่ะถ้าฝืนแต่งก็จะพบแต่ความวุ่นวายให้แตกแยกเลิกร้างลากันไปยกเว้นเดือน9้าเท่านั้นที่เรื่องดีมีชยัยแต่งแล้วก็จะก้าวหน้านะคะสําหรับปริศนานี้ ต้องอย่าร้างกันจริงหรือไม่พบเหตุวุ่นวายจริงหรือไม่เรามาไขาปริศนาพร้อมกันค่ะความเชื่อที่บอกว่าห้ามแต่งงานเดือนขี้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโ บ, บราณ น, นะคะเรียกว่าก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยค่ะที่สืบทอดกันมา ชายก็ควรจะบวชก่อนเบียดสักหนึ่งพรรษาส่วนช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในฤดูฝนไม่เอื้อต่อการจัดงานกลางแจ้งนักนะคะส่วนฤดูร้อนก็ร้อนอบอ้าวนะคะไม่เหมาะสําหรับให้หนุ่มสาวขึ้นหอรอรักเช่นกันค่ะเมื่อศึกออกมาแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวพอดีก็นับว่าเหมาะสําหรับพิธีวิวาค่ะแต่ท่านก็แนะนําว่าไม่ควรแต่งงานกันเดือน12เพราะว่าเป็นช่วงที่สุนัขติดสัตว์นะคะ ชาวไทยถือเรื่องเกยามตัวเลขเป็นสำคัญค่ะเชื่อว่าแต่งงานเดือนคู่ชีวิตคู่ก็จะมั่นคงรุ่งเรืองแต่หากแต่งงานเดือนขี้ก็จะไรคู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจทางใจทั้งสิ้นยกเว้นเดือนอ้ายแล้วก็เดือน9้าค่ะเพราะหมายเอาเสียงอ้ายกับ9้าหน้านะคะ ปัจจุบันหลายอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วจิตใจผู้คนก็เปลี่ยนเช่นกันการแต่งงานได้หันมาถือเอาความพร้อมของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักมากกว่ากล่าวโดยสรุปแล้วกุศโลบายนี้น่าจะเป็นข้ออ้างของคนโบราณให้จัดพิธีแต่งงานเมื่อพร้อมมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าคนโบราณต้องการยืดเวลาให้คู่บ่าวสาวดูใจกันนานๆก่อนแต่งนั่นเองค่ะสําหรับความแยกยนต์ลึกซึง้งแล้วก็ความลึกลับของกุศโลบายนี้ คนโบราณเชื่อถือโหราศาสตร์กันตั้งแต่คลอดจนตายถือเป็นศาสตร์สำคัญในการกำหนดพิธีกรรมของสังคมโดยเฉพาะพิธีแต่งงานค่ะที่ชาติหนึ่งมีอยู่หนเดียวหมอดูหรือพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายจึงกลายเป็นกรรมการตัดสินแล้วค่ะว่าใครควรจะแต่งงานกันเดือนไหนดีซึ่งแน่นอนนะคะว่าต้องเป็นเดือนคู่ตามตาราอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเคยเห็นฝนตกแล้วรุงกินน้ำไหมคะ เคยโดนดุไหมคะว่าห้ามเอานิ้วชี้รุ้งกินน้ำอันนี้เคยเหมือนกันโดนคุณยายดุนะคะสมัยเป็นเด็กท่านบอกว่าห้ามชี้รุ้งกินน้ำมิฉะนั้นเทวดาจะสาปให้นิ้วกุดค่ะสำหรับปริศนาการชี้รุ้งกินน้ำทำให้นิ้วกุดจริงได้หรือไม่ฟ้าหลังฝนงามตาเสมอนะคะท้องฟ้าสว่างสดใสาอากาศสดชื่นหยาดน้าฟ้าทอแสงประกายเจิดจ้าเป็นสายรุง้ง เด็กๆ ก, ก็พากันตื่นเต้นค่ะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็พากันชูไม้ชูมือชี้รุ้งกินน้ำซึ่งอาจจะทิมตากันก็ได้อีกประการหนึ่งนะคะชาวบ้านที่ผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมามากจะรู้ค่ะว่าการออกไปสัมผัสอากาศกลางแจ้งหลังฝนตกทำให้เป็นหวัดเป็นไข้ได้ท่านจึงออกอุบายห้ามนั่นเองค่ะสำหรับความแยบยลลึกซึ้งแล้วก็ลึกลับของกุศโลบายอาจจะกล่าวได้นะคะว่า ข้อห้ามนี้เป็นกุศโลบายที่สวยงามมีสเสน่ห์แต่ได้ผลมากที่สุดในจานวนข้อห้ามโบราณทั้งหมดเพราะว่าสำหรับเด็กๆแล้วกลัวค่ะว่านิ้วของตัวเองจะกุดมากที่สุดเลยนะคะส่วนอีกความเชื่อนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการเห็นผีถ้าหากว่าเคยดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะคะ ก็อาจจะมีการให้แขกรับเชิญมีการมองลอดวางขาหรือว่าเราดูภาพยนตร์ผีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการลอดใต้วางขาอย่างเช่นเรื่องของแม่นาคพระโขนงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกความเชื่อนึงเหมือนกันที่บอกว่าห้ามก้มมองลอดวางขาตัวเองในงานศพนะคะเพราะโบราณบอกว่าผีจะติดตามเอาเราไปอยู่ด้วย การมองลอดหวางขาตัวเองในงานศพจะทำให้มองเห็นผีแล้วผีจะมองเห็นเราได้จริงหรือไม่ พิธีศพสมัยก่อนนั้นค่ะแขกเรือที่มาร่วมงานศพมักจะดื่มสุราที่ทางเจ้าภาพจัดหามาให้เพื่อให้อยู่ร่วมงานกับเจ้าภาพได้นานๆหากอุตรินึกอยากจะเห็นวิญญาณของผู้ตายขึ้นมาละก็ลุกขึ้นก้มมองลอดหลางขาตัวเองทั้งทงที่ยังกริ่มๆอยู่เลยนะคะอาจจะเสียหลักหรือว่าหน้ามืดหกล้มหัวกระแทกพื้นตายเอาก็ได้ค่ะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าหากว่า ต่างคนต่างทรรมเท่ากับว่าไม่ให้เกียรติผู้ตายและเจ้าภาพงานศพก็จะกลายเป็นงานรื่นเริงบันเทิงไทยไปนั่นเองค่ะสำหรับความแยบยนต์ความลึกซึ้งแล้วก็ความลึกลับของกุสโลบายนี้ผีเข้าหรือผีสิงเป็นอาการของผู้ที่มีอากาบกิริยาต่างออกไปจากปกติดังเดิมจนเชื่อได้นะคะว่าผู้คนคนนั้นเนี่ยโดนผีสิงและจะกลายเป็นคนวิกลจริตไปในที่สุด โบราณท่านก็เลยยกเอาเหตุนี้เป็นกุศโลบายข้อห้ามบอกว่าอย่ากระทําการลบหลู่วิญญาณผู้ตายและสัมภเวสีในบริเวณพิธีศพนั่นเองค่ะตำนานความเชื่อโบราณ น, นะคะอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายสาหรับวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องของการจะออกจากบ้านแล้วมีเสียงนี้ดังขึ้นจิ้งจกนั่นเองค่ะเสียงจิ้งจกร้องทักนะคะโบราณบอกว่าอย่าออกจากบ้าน จิ้งจกร้องทักก่อนออกจากบ้านหมายถึงลางร้ายจริงหรือไม่บ้านเรือนสมัยก่อนคุณผู้ฟังเป็นบ้านไม้จิ้งจกมักจะอาศัยอยู่ตามซอกกลบทั่วไปแล้วก็ส่งเสียงร้องตามปกติของมันละค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่โบราณเห็นว่าจิ้งจกร้องตรงกับจังหวะคนในบ้านกําลังจะออกเดินทางพอดีก็เข้าใจละค่ะว่ามันทักท่านก็เลยใช้กุสโลบายเตือนสติให้เดินทางด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทนะคะ จะทําการใดก็ควรคิดให้รอบคอบซะก่อนหรือหยุดคิดอีกสักนิดนึงก่อนออกเดินทางจะดีกว่าไหมเพราะว่าอาจหลงลืมบางสิ่งที่ควรจะนําติดตัวไปด้วยกระนั้นนะคะก็ยังมีผู้คนมาแย้งค่ะบอกว่าจิ้งจกทักเป็นลางบอกเหตุและมีอุบัติเหตุหรือโรคร้ายเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ยอมฟังคําเตือนมาแล้วมากมายซึ่งอันที่จริงค่ะการเดินทางสมัยก่อนไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้เลยโจนผู้ร้ายก็ยังมีอยู่มาก สัตว์ป่าก็ยังชุกชุมยุงป่าก็พร้อมจะนำโรคร้ายมาสู่ผู้เยือนอย่างไร้ปราณีก็เลยเป็นธรรมดาที่จะมีโอกาสประสบภัยได้มากนะคะสำหรับข้อห้ามนี้มีที่มาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่น่าจะเป็นกุศโลบายมากกว่าเพราะว่าจิ้งจกเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์พยากรอาเพศได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามค่ะมีการนํากุศโลบายนี้มากล่าวเปรียบเปยในสํานวนยุคปัจจุบันว่าจิ้งจกทักเรายัางเชื่อคนทักจะไม่เชื่อได้อย่างไรเรื่องนี้จึงอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนละค่ะตามที่เราสัญญากันไว้นะคะพูดถึงเรื่องราวของตำนานเล่าถานโบราณห้ามทํำกันไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของพันธนาการแห่งบาปที่ไม่ต้องรอบทพิสูจน์และไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง เพราะจะกลายเป็นเปรตนะคะบทพิสูจน์ว่าเปรตมีจริงหรือไม่พร้อมปุพกรรมของเปรต57ตนจากพระไตรปิฎกที่เราจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะจากคำบอกเล่าของบูรภาจารไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นพูริทัตโตนะคะหรือว่าจะเป็นหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่จันทาฐาวโรค่ะ ในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายแล้วก็การที่เราไม่เห็นหรือไม่รู้สิ่งใดแล้วเปล่าประกาศว่าสิ่งนั้นไม่มีถือว่าผู้นั้นเป็นคนหลงผิดเปรียบเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็เหมาเอาว่าดวงอาทิตย์ไม่มีเช่นนี้ค่ะถือว่าเป็นความคิดความเห็นที่ผิดจากความเป็นจริงซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะคะ ความเชื่อของคนเราบางครั้งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นบางคนเชื่อว่าเปรตมีจริงบางคนก็ไม่เชื่อแต่ความจริงแท้นั้นไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร mm. เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรที่จะหาทางออกในเรื่องนี้ให้ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คืออย่าทำชั่วให้ทำแต่ความดีนั่นเองเพราะที่สุดแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่คาตอบสุดท้ายที่จะทาให้ชีวิตเข้าถึงความพ้นทุกข์ แต่ว่ากรรมค่ะหรือว่าการกระทำต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดความสุขความทุกข์ของคนในปัจจุบันคนที่เชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์มีจริงก็มีไม่น้อยหรืออาจจะกล่าวได้นะคะว่าชาวพุทธทั้งหมดเชื่อในเรื่องนี้แต่จะมีชาวพุทธสักกี่คนคะที่เกรงกลัวต่อนรกต่อความเป็นเปรตแล้วก็ละเว้นความช่วยได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องเปรตนี้ส่วนใหญ่ค่ะ ก็อดที่จะก่อกรรมทำชั่วไม่ได้ในปัจจุบันและก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ซะอีกที่ประกอบกรรมดีแล้วก็ละอายต่อบาปนะคะมากกว่าคนที่เชื่อเรื่องนรกและก็เรื่องสวรรค์ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเชื่อว่านรกมีจริงหรือไม่ เปรตมีหรือไม่ก็ตามไม่ถือเป็นประมาณแต่ว่าสิ่งที่ต้องใส่ใจนั่นก็คือการกระทำของตนเองขออย่าได้ประกอบกรรมชั่วใดๆแล้วก็ขอให้ฝากฝ่ายในการประกอบกรรมดีไม่ว่าจะเป็นการทำดีพูดดีคิดดีแต่ฝ่ายเดียวนะคะชีวิตจะได้เป็นสุขมีความสงบเย็นกายเย็นใจไม่ทุกข์เดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคตนะคะเมื่อพูดถึงเปรตค่ะ เราทั้งหลายก็มักจะนึกถึงวิญญาณเร่ร่อนที่มีรูปร่างสูงใหญ่อดอยากผอมโซเที่ยวขอส่นบุญตามวัดวาอารามต่างๆคำว่าเปรตนะคะมาจากภาษาสันสกฤตค่ะก็คำว่าเปตะนั่นเองนะคะซึ่งไปตรงกับภาษาบาลีก็แปลได้สองความหมายนั่นก็คือเปรตผู้ละไปแล้วหรือว่าผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว หมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบรุษหรือว่าญาติที่เสียชีวิตไปแล้วดังเช่นคําที่ในประโยคบอกว่าในกร์ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเปตชนคําว่าเปตชนในที่นี้หมายถึงว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วของในกรณ์นั่นเองค่ะอีกคํหนึ่งที่แปลนะคะของคําว่าเปรตก็คือผู้ห่างไกลาจากความสุขหมายถึงปีศาจจาพวกหนึ่งค่ะ ที่เคยก่อกรรมทำชั่วเอาไว้มากมายแล้วก็ต้องมารับกรรมนั้นอย่างทุกทรมานโดยแต่ละคนน้นจะมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็เสวยผลกรรมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกรรมที่ตัวเองได้กระทําไว้เปรตในความหมายของคนไทยทั่วไปค่ะก็คือผีชนิดหนึ่งจึงมักเรียกว่าผีเปรตนะคะ มีอาจารย์บางท่านคะ่ะได้จัดผีบางจำพวกเช่นผีกระสือผีกระหังผีปอบนะคะว่าแท้จริงผีเหล่านั้นก็คือผีเปรตแต่บางท่านก็กล่าวแย้งบอกว่าบรรดาผีผีที่คนไทยรู้จักนั้นน่าจะเป็นอสุรกายมากกว่าเป็นเปรตนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภูมิเปรตกันคะ่ะ ในทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ได้จัดภพภูมิที่สัรพสัตผู้มีกิเลสทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดว่ามีทั้งหมด31ภูมิเรียกว่าวัด ต, ตะสงสาร31ภูมิดังต่อไปนี้ค่ะภพภูมิที่หนึ่งนะคะก็คือกามาวจรภูมิคือภูมิของผู้ที่ยังสแสวงหาความสุขจากกามาคุณ5นั่นคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่น่าพอใจมีทั้งหมด11ภูมิก็คืออบายภูมิสมนุษย์สโลกหนึ่งแล้วก็สวรรค์น6นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังมีรูปปาวจรภูมิด้วยก็คือภูมิของผู้เสพสุขจากการเข้าถึงรูปประชาน4ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตะถะฌาน มีทั้งหมดสิภูมินะคะนับตั้งแต่พรมปารฤศรชาขึ้นไปจนถึงอากานิธฐพรมค่ะส่วนภพภูมิที่3คืออรูปาวจรภูมิค่ะเป็นภูมิที่เป็นที่อยู่ของผู้เจริญสมาธิจนถึงระดับอรูปฌาน4เป็นผู้เสพสุขที่เกิดจากการเข้าถึงอรูปฌานมีสี่ภูมิตามลำดับของอรูปฌานมีอากาสานันจายตนะภูมิเป็นต้นนะคะ สัตว์ผู้ที่ยังมีกิเลสทั้งหลายเกิดใน31ภูมินี้เท่านั้นค่ะไม่มีนอกเหนือจากนี้ส่วนใครจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นตัวกำหนดจัดสรรให้ใครทำดีก็ย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ดีใครทำชั่วก็ย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วตามกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้ ภพภูมิของเปรตค่ะจัดเป็นหนึ่งในอบายภูมิ4แล้วก็จัดเป็นภูมิสำหรับลงโทษผู้ที่กระทําบาปที่ถือว่าหนักเป็นอันดับ2รองจากนรกภูมินะคะกล่าวกันค่ะว่าผู้ที่เกิดในนรกนั้นจะถูกลงโทษให้ทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มีหยุดพักแม้เสี้ยววินาทีส่วนผู้ที่เกิดในภูมิของเปรตแม้จะต้องรับกรรมเช่นเดียวกับสัตว์นรก แต่ก็มีผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างในบางครั้งบางคราเช่นเปรตปากเท่ารูเข็มมีความหิวโหยอย่างแรงแต่ก็มีผ่อนปรนให้หากินประทังความหิวได้เป็นต้นค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับร้อยนับพันปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นกลับเป็นกันเลยก็มีนะคะสำหรับความเป็นอยู่ของเปรตนั้นนะคะตามตาราท่านบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเปรตมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ก็สุดแล้วแต่ว่าตนได้ทำกรรมในลักษณะเช่นไรไว้แล้วก็กรรมที่ทำนั้นหนักเบาแค่ไหนนะคะท่านอาจารย์พาสกรภูริวัฒโนค่ะท่านได้กล่าวถึงความแตกต่างของสัตว์ในแต่ละภพภูมิเอาไว้สั้นๆเมื่อครั้งที่รับนิมนต์มาบรรยายธรรมในงานกิจกรรมตรายศิกขามหาบุญที่ลานธรรมช่อระกาก็บอกนะคะว่ามนุษย์กล้าเดรัจฉานกลัวเปรตหิวกระหายอสุรกายลามมกนรกเร่าร้อน มนุษย์กล้าหมายความว่าอย่างไรมนุษย์กล้าก็คือบรรดาสัตว์ทั้งหลายในส1ภูมินี่แหละมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผูก้กล้าค่ะกล้าในการทำความดีความเชื่อมากที่สุดกล่าวคือในการทำความดีมนุษย์ก็กล้าที่จะทำแบบสุดๆเหมือนกันดังเช่นพระเวสสันดรโพธิสัตว์กล้าให้บุตรเป็นทานเพื่อบาเพ็ญบารมีทำเป็นพระพุทธเจ้า ในส่วนความชั่วก็เหมือนกันค่ะมนุษย์ก็กล้าทําความชั่วแบบสุดๆเหมือนกันบางคนนะค้าขายได้แม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันเองหรือบางคนฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองนะคะเดรัจฉานกลัวหมายความว่าในโลกของสัตว์เดรัจฉานนั้นค่ะ เต็มไปด้วยการเบียดเบียนเข่นค่ากันแลยกันสัตว์ใหญ่ล่าสัตว์เล็กเป็นอาหารนอกจากจะต้องระวังภัยจากสัตว์ด้วยกันแล้วก็ยังต้องระวังภัยจากมนุษย์อีกด้วยเพราะว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานจึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความเกรงกลัวต่ออันตรายนั่นเองค่ะ เปรตหิวกระหายนะคะคําว่าหิวกระหายสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของเปรตได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโลกของเปรตเป็นโลกแห่งความอดอยากหิวกระหายอยากกินไม่ได้กินแม้ได้กินก็กินแต่ของกสกรปรกยิ่งกินก็ยิ่งหิวเป็นโลกที่ทุกทรมานด้วยความหิวเปรตบางตนค่ะหิวหนักจนถึงต้องฉีกเนื้อตัวเองกินถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวได้เลยนะคะส่วนอสุรกายลามกค่ะคําว่าลามกนี้นะคะปแปลได้ว่า ต่ำช้าเรววซมหน่ารังเกียจหมายความนะคะว่าโลกของอสูรกายนั้นเต็มไปด้วยพฤติกรรมต่ำช้าเร็วซามและเป็นที่น่ารังเกียจค่ะเช่นอสูรที่ชอบกินเครื่องเส้นไหว้ประเภทเหล้ายาเนื้อดิบของสดของคาวแล้วก็หมกมุ่นอยู่ในเรื่องการเสพกามท่านอาจารย์พาสกรได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าผู้ที่ชอบกินเนื้อดิบๆ ชอบกินอาหารแบบเปิดพิสดารประเภทกินสมองลิงกินอุ้งตีนหมีกินอวัยวะเพศหมีเพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับตัวเองหรือผู้ที่ชอบมีเซ็ก์แบบวิตถานพวกนี้ชาติที่แล้วเนี่ยท่านบอกว่าเคยเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็ติดเป็นอุปนิสัยของอสุรกายมาจนถึงชาตินี้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะสุดท้ายค่ะเรื่องของนรกที่บอกว่านรกเร่าร้อน นรกในคำพีทางพระพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้นะคะว่ามีทั้งหมด456ขุมรวมกับโลกันตระนรกอีกหนึ่งเป็น457ขุมซึ่งนรกแต่ละขุมนั้นมีสภาพเหมือนกันหมดคือเต็มไปด้วยเปลวไฟที่ร้อนแรงขนาดที่คนยืนอยู่ห่างร้อยยอดและมองด้วยตาเปล่าเปลวไฟนี้ยังทำให้ตาบอดได้ ร้อนแรงถึงขนาดโยนก้อนหินลงไปเท่าภูเขาเข้าไปนนรกก็จะสลายไปในชั่วพริบตาดังนั้นค่ะโลกแห่งนรกจึงได้ชื่อว่าโลกแห่งความเร่าร้อนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของเปรตค่ะว่าเปรตมีกี่ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเปรตที่มาจากนรกหรือว่าเปรตที่มาจากโลกมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นการจำแนกตามลักษณะการเสวยผลกรรมมี5ประเภทนะคะมีประเภทอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามฟังพร้อมกับเรื่องราวตำนานเล่าขานโบราณห้ามรมนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ภูมิปัญญาของบรรพบรุษบางสิ่งอาจพิสูจน์ไม่ได้บางสิ่งอาจจะเป็นกุศโลบายนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ ห้ามตัดผมวันพุธนะคะหรือว่าจะเป็นห้ามผู้หญิงตั้งคันไปงานศพห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระห้ามไกวเปยเด็กเปล่าเล่นๆห้ามปลูกบ้านบนทางสามแพร่งและห้ามจับสุนัขนอนง่ายท้องนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเป็นอย่างยิ่งเลยละคะ่ะผิดพลาดประการใดนะคะ ต้องกราบขออาภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถไปไล่ตอบทุกคอมเมนต์ได้หมดยังไงก็อย่าพิ่งโกรธเคืองหรือว่าน้อยอกน้อยใจกันไปหรือว่ า, าทิ้งกันไปนะคะยังไงก็ฝากกดซับ c r i b e ด้วยกดกระดิ่งด้วยจะได้มีเสียงเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆ ห, หรือว่าตํานานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เรื่องผีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าจะเป็นเรื่องของ พระเกจินะคะที่เราชาวพุทธทุกทุกท่านคะ่ะที่นับถือนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe แล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่จัดทำ channel พระเจอผีขึ้นมาด้วยต้องขออนุญาตด้วยนะคะทำคนเดียวอ่านคนเดียวหาข้อมูลเองยังไงถ้าหากว่าไม่มีภาพเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ